เราสัตว์ผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาเราสัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาเราสัตว์ผู้มีความโศกความคร่ำครวญความทุกกายความทุกใจและความคับแค้นใจเป็นธรรมดาต่างก็เกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าชะไหนนอขอเราอย่าได้เป็นผู้มีความโศกความคร่ำครวญความทุกกายความทุกใจและความคับแค้นใจเป็นธรรมดาเลยและขอความโศกความคร่ำครวญ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 สมุทยัยสัจจะนิเทศทุกขะสมุทัยอริยสัจเป็นอย่างไรคือตัณหานี้เป็นเหตุเกิดขึ้นในภพใหม่เศรโคตด้วยความกำหนัดยินดีเป็นเหตุเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาก็ตัณหานี้แหละเมื่อเกิดขึ้นเกิดที่ไหนเมื่อตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่ไหนคือปิยรูปสาตรูปใดมีอยู่ในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ปิยรูปสาธรูปนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ปิยรูปสาธรูปนี้อะไรเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกคือจักสุเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่จักขูนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จักขูนี้โซตะเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกคาณะเป็นปิยรูปสาธรูปในโลก ชิวหาเป็นปิยรูปศาธรูปในโลกกายเป็นปิยรูปศาธรูปในโลกมโนเป like <cle> <quila> ็นปิยรูปศาธรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนนี้รูปเป็นปิยรูปศาธรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปนี้เสียงเป็นปิยรูปสาธรูปในโลก กายวิญญาณเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกมโนวิญญาณเป็นปิยรูปสารูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนวิญญาณนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนวิญญาณนี้จักรุสัมผัสเป็นปิยรูปสารูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่จักรุสัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จักรุสัมผัสนี้โซตะสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก คานสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกชิวหา like สัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกกายสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกมโนสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนสัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนสัมผัสนี้เวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก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 เป็นปิยรูปสาธรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่เวทนาซึ่งเกิดจากมโนสัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่เวทนาซึ่งเกิดจากมโนสัมผัสนี้รูปปสัญญาความกําหนดหมายรู้รูปเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปปสัญญานี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปสัญญานี้สัทธสัญญาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกคันทสัญญาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกรัสัญญาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกโพธภะสัญญาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกธรมมสัญญาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมสัญญานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมสัญญานี้ รูปสัญญเจตนาความจำนงในรูปเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปสัญญเจตนานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปสัญญเจตนานี้สัทธสัญญาเจตนาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกคันทัญญาเจตนาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกรสะสัญญาเจตนาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลก โหดทัพพระสัญญาเจตนาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกธรรมะสัญญาเจตนาเป็นป okay. ิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมะสัญญาเจตนานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมะสัญญาเจตนานี้รูปปัตหาความอยากได้รูปเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปปัตหานี้ เมื now, to to ah ่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปตัณหานี้สัทตัณหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคันทตัณหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกรสัตัณหาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกโภทัพพระตัณหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกธรรมตัณหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมตัณหานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมตัณหานี้ รูปวิตกความตรึกถึงรูปเป็นปียรูปสาธรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปวิตกนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปวิตกนี้สัทธวิตกเป็นปียรูปสาธรูปในโลกคันทวิตกเป็นปียรูปสาธรูปในโลกรัววิตกเป็นปียรูปสาธรูปในโลกโพัพะวิตกเป็นปียรูปสาธรูปในโลกธรมมวิตก เป็นปียรูปสาธรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมวิตกนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ต ok ั้งอยู่ที่ธรรมวิตกนี้รู ป, ปวิจารณ์ความตรองถึงรูปเป็นปียรูปสาธรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปปวิจารณ์นี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปปวิจารณ์นี้สัทธวิจารณ์เป็นปียรูปสาธรูปในโลก คันทวิจารเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกระสะวิจารเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกโพธภะวิจารเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกธรรมวิจารเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมวิจารนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมวิจารนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขสมุทัยอริยสัตว์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 อะไรเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคือจักขคูเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่จักรคนี้เมื่อดับก็ดับที่จักขคูนี้โซตะเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคานะเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกชิวหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกกายเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกมโนเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละ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 เป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมารมณ์นี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมารมณ์นี้จกขววิญญาณเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่จักขววิญญาณนี้เมื่อดับก็ดับที่จักขววิญญาณนี้โสตะวิญญาณเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคาณวิญญาณเป็นปิยรูปสาธรูปในโลก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 โซตสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคานสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกชิวหาสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกกายสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกมโนสัมผัสเป็นปิยรูปสารูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่มโนสัมผัสนี้เมื่อดับก็ดับที่มโนสัมผัสนี้เวทนาที่เกิดจากจักหุสัมผัส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 เวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่เวทนาอันเกิดจากมโนสัมผัสนี้เมื่อดับก็ดับที่เวทนาอันเกิดจากมโนสัมผัสนี้รูปปัสัญญาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่รูปปัสัญญานี้เมื่อดับก็ดับที่รูปปัสัญญานี้ สัทสัญญาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกคันทสัญญาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกรัศศัญญาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกโพธภะสัญญาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกธรรมสัญญาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมสัญญานี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมสัญญานี้รูปปัญญเจตนาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลก ต view, 久久久久久久ัณหานี้เมื่อละก็ละที่รูปสัญญเจตนานี้เมื่อดับก็ดับที่รูปสัญญเจตนานี้สัทธสัญญเจตนาเป็นปียรูปสาธรูปในโลกคันธสัญญเจตนาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกรสสัญญเจตนาเป็นปียรูปสาธรูปในโลกโภทภสัญเจตนาเป็นปียรูปสาธรูปในโลกธรรมสัญเจตนาเป็นปียรูปสาธรูปในโลก ตัณหานีเมื่อละก็ละที่ธรรมสัญญเจตนานี้เมื Zeit, ่อดับก็ดับที่ธรรมสัญญเจตนานี้รูปตัณหาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกตัณหานีเมื่อละก็ละที่รูปตัณหานี้เมื่อดับก็ดับที่รูปตัณหานี้ส ne ัทตัณหาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกคันธตัณหาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกรสตัณหาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลก โพธะพันหาเป็นปียรูปสาธรูปในโลกธรรมตันหาเป็นปียรูปสาธรูปในโลกตันหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมตันหานี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมตันหานี้รูปปวิตกเป็นปียรูปสาธรูปในโลกตันหานี้เมื่อละก็ละที่รูปปวิตกนี้เมื่อดับก็ดับที่รูปปวิตกนี้สัทธวิตกเป็นปียรูปสาธรูปในโลก คันทวิตกเป็นปียรูปสาธรูปในโลกรสะวิตกเป็นปียรูปสาธรูปในโลกโพธพวิตกเป็นปียรูปสาธรูปในโลกธรรมวิตกเป็นปียรูปสาธรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธรมมวิตกนี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมวิตกนี้รูปปวิจาร์เป็นปียรูปสาธรูปในโลกตัณหานีเมื่อละก็ละที่รูปปวิจารนี้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 ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัตว์มักคาสัจจะนิเทศทุกขนิโรธคาไม่มีปฏิปทาอริยสัตว์เป็นอย่างไรคืออริยมักมีองค์แปดนี้นั่นและได้แก่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 ความรู้ในทุกขะสมุทยัยเหตุเกิดแห่งทุกข์ความรู้ในทุกขนิโรธความดับแห่งทุกขความรู้ในทุกขนิโรธถาคาม่นีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกขภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมาทิฐิสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรคือความดําริในการออกจากกามความดําริในการไม่พยาบาทความดําริในการไม่เบียดเบียน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 เคอเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการประพฤติผิดในกลามภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิฉาอาชีวะแล้วสาเร็จการเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ ภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะเป็นอย่างไรเคอภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สร้างชั้นทะพยายามปรารบความเพียประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น 2. สร้างชั้นทะพยายามปรารบความเพียประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว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 สัมมาสติเป็นอย่างไรคือภิสษุในธรรมวินัยนี้ 1. นพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ละถึง 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ละถึง 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. งสงัดจากการและอุศิธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกมีวิจาร์มีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ 2. เพราะวิตกวิจาร์สงบระงับไปบรรลุธุติยฌานที่มีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ 3. เพราะปิติจางคลายไปมีจิตเป็นอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่และสวยสุขด้วยกายนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยทั้งหลายกล่าวสนเสริญว่า ผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข 4. เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุตฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขนิโรธคาม่นีปฏิปทาอริยสัตว์ด้วยวิธีนี้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 ภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ารร ม, มีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออริยสัจสี่อยู่อย่างนี้แลมวดสัจ จ, จบธรรมานุปัสสนาจบ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 หรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จกเป็นอนาคามี6ปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปฐาน4ี่ตลอด5ปีพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งใน2อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จกเป็นอนาคามี5ปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปฐาน4ี่ตลอด4ปีพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งใน2อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบัน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 หรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี2ปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ี่ตลอดหนึ่งปีพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อ ย, ยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี1ปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด7เดือนพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี7เดือนจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปฐาน4ี่ตลอด6เดือนพึงหวังได้ผลอย่างหนึ uh uh ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี6เดือนจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปฐาน4ตลอด5เดือนพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคือ อรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี4เดือนจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปฐาน4ี่ตลอดสเดือนพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีสเดือนจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปฐาน4ตลอดสองเดือนพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคือ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 ว่าด้วยเจ้าปายาสิเขาพระเจ้าได้สดบมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระกุมารกัสปะกำลังจาริกอยู่ในแควนโกศลพร้อมโดยพิสุสงหมู่ใหญ่ประมาณ500รูปถึงเมืองเสตัพยะของชาวโกศลพักอยู่หน้าป่าไม้สีเสียดทางทิศเหนือเมืองเสตัพยะสมัยนั้นเจ้าปายาสิปกครองเมืองเสตพยะซึ่งมีประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมาย มีพืชพันธุ์ธัญญาหารและน้ำหญ้าอุดมสมบูรณ์มีพระราชทรัพย์ที่พระเจ้าระเสนทิโกสนพระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นพรมไทยเรื่องเจ้าปายาสิ สมัยนั้นเจ้าปายาสิมีความเห็นชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีพรามและข้าบดีชาเมืองเสตพยะได้ฟังข่าวว่าท่านสมณะกุมารกัสปะผู้เป็นสาวกของพระสมณะโคโดมกำลังจาริกอยู่ในแคว้นโกสนพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500อรูป ถึงเมืองเสตตะพยะโดยลำดับกำลังพักอยู่ณนะป่าไม้สีเสียดทางทิศเหนือเมืองเสตตะพยะท่านสมณะกุมารกัสปะนั้นมีชื่อเสียงดีงามขาจรไปอย่างนี้ว่าเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาเป็นผู้หูสูตรกล่าวถ้อยคำไพเราะปฏิพานดีเป็นผู้เจริญและเป็นพระอรหันต์การได้เห็นพระอรหันต์เช่นนั้นเป็นการดีแท้จากนั้น พรามและขหบดีชาวเมืองเสตพะยะออกจากเมืองเสตพะยะเดินรวมกันเป็นหมู hmm. <ỗi ido S 1> ่เป็นคณะมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือสู่ป่าไม้สีเสียดขณะนั้นเจ้าปายาสิทรงพักผ่อนกลางวันอยู่หน้าประสาทชั้นบนทรงเห็นพราหมณ์และข้าดีชาวเมืองเสตพะยะซึ่งออกจากเมืองเสตพะยะเดินรวมกันเป็นหมู่เป็นคณะมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือสู่ป่าไม้สีเสียด จึงทรงเรียกมหาดเล็กมาตรัสถามว่ามหาดเล็กเหตุใดพราหมและขหบดีชาวเมืองเสตัพยะจึงออกจากเมืองเสตพยะเดินรวมกันเป็นหมู่เป็นคณะมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือสู่ป่าไม้สีเสียดมหาดเล็กทูลตอบว่าฝ่าพระบาทท่านสมณะกุมารกัสปะผู้เป็นสาวกของพระสมณะโคดมกําลังจาริกอยู่ในแคว้นโกลสนพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อรูป ถึงเมืองเสตัพยะโดยลำดับพักอยู่ณป่าไม้สีเสียดทางทิศเหนือเมืองเสตพยะท่านสมณกุมารกัสปะนั้นมีชื่อเสียงดีงามขาจรไปอย่างนี้ว่าเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาเป็นผู้หูสูตรกล่าวถ้อยคำไพเราะปฏิพานดีเป็นผู้เจริญและเป็นพระอรหันต์พรามและขหาดีเหล่านั้นจะเข้าไปหาท่านสมณกุมารกัสปะรูปนั้น เจ้าปายาสิรับสั่งว่ามหาดเล็กถ้าอย่างนั้นท่านจงเข้าไปหาพราหมณ์และขหาบดีชาเมืองเสตพยะถึงที่อยู่บอกกับพราหมณ์และขหาบดีชาเมืองเสตพะยะอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเจ้าปายาสิรับสั่งว่าให้พวกท่านรอเจ้าปายาสิจะเสด็จเข้าไปหาท่านสมณะ ก, กุมารกัสปะด้วยครั้งก่อนท่านสมณะ ก, กุมารกัสปะ ชี้แจงให้พราหมณ์และข้าบริชาเมืองเส ต, ตพยะผู้โง่ไม่ฉลาดได้รู้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกะสัตมีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีมหาตเล็กแท้จริงโลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีมหาตเล็กทูลรับสนองพระดารัสแล้ว เข้าไปหาพรามและขหบดีาาชาเมืองเสตพยะถึงที่อยู่เด็กกล่าวกับพรามและข้าบดีชาเมืองเสตพยะดังนี้ว่าท่านทั้งหลายเจ้าปายาสิรับสั่งว่าให้พวกท่านรอเจ้าปายาสิจะเสด็จเข้าไปหาท่านสมณกนะุมารกัสปะด้วยลำดับนั้นเจ้าปายาสิแวดล้อมด้วยพรามและขหบดีชาเมืองเสตพยาเสด็จเข้าไปหาท่านพระกุมารกัสปะถึงที่อยู่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 บางพวกประนมมือไปทางที่ท่านพระกุมารกัสสะอยู่แล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประกาศชื่อและตระกูลแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกนั่งนิ่งเฉยณที่สมควร